พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่ย0สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่30พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่าพบตึกผีที่อินโดนีเซียคณะสัทธาติโ ย, ยมวันนี้หลวงพ่อจะให้ พวกเราสมาทานศีลคือการรับศีลจากพระก็คือเป็นการให้พระสงฆ์เป็นสักขีพยานในการสมาทานและการรับศีลแต่ตามตามที่จริงรับศีลหรือว่าสมาทานศีลเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรับกับพระทุกครั้งเราเห็นไ้ยนิทานชาดก พระพุทธเจ้าไปบาเพ็ญอยู่ในป่าโดวงพงไพเป็นฤาษีชีพายเนี่ยพระที่ไหนจะให้ที่จะไปให้ศีลท่านท่านจะบวชจากใครท่านไปอยู่ในป่าทัานก่อนจากนั้นท่านก็สมาทานศีลวิรัตเจตนาว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าหรือจะรักษาศีลอุโบสถอย่างพระเวทชันนรนท่านรักษาศีลอุโบสถ แต่ฤาษีบางท่านโดยมากกัศีลแปดนนะ่ะพวกฤาษีชีภัยอยู่ในป่าตอนนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะ่ะถ้ า, ากว่าวันไหนไม่ได้ไปสู่วัดวาศาสนาเพราะภาระธุ ร, ร, รกิจของเราไม่เหมือนกันถ้าเราพวกเราอยู่ในบ้านโอ้วันนี้เป็นวันพระของข้าพเจ้าหรือเป็นวันเกิดของเราเป็นวันเกิดของสามีภรรยา หรือวันเกิดของลูกหรือวันเกิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือวันเกิดของครูบาอาจารย์หรือวันวิสาขะบูชามันมาคะวิสาขะบูชาเป็นวันสําคัญเราควรจะสมาทานสินรักษาศรรีลแต่เราไปวัดไม่ได้ถ้าเราไปวัดไม่วหวเราก็เลยฟาวไปเลยไม่ทําเลยไม่ถูก เ, เราควรจะสํานึกถึงจะเข้าไปเจ้าไป วัดสูวัดวาศาสนาไม่ได้ข้าพเจ้าประกอบคุณงามความดีได้อยู่ในบ้านของเราเรารักษาศีลได้ตัวไหนที่เราควรจะฉินห้าเนี่ยเป็นศีลของคราวาสอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้สมมติว่าวันนี้เป็นวันพระแล้ว เ, เป็นวันที่เราจะรักษาศีลตื่นเช้ามาเราก็ตั้งใจล่ะตั้งใจวิรจเจตนาเราก็เข้าห้องพระ เรื่องใบห่อคล้องพระกันนะอยู่ที่นอนของเราเนะี่ยเรา ล, ลุกขึ้นมาแล้วก็กราบไปทางหมอนของเราที่เรานอนน่นนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราจะไปคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นตรงนี้อย่างพระพุทธลูปนี่ก็คือเป็นสมมุติ เ, เป็นทองเหลืองทองแดงสมมุติเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแต่ที่นี้เรากราบไม่มีพระพุทธรูปเราก็กราบ เอาใจของเรากราบลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราถึงจะกราบพระพุทธรูปก็เถอะแต่ใจเราไม่จดจ่อใจของเราไปส่งไปทางอื่นก็ไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันแต่ถ้าเรานลำลึกถึงใจของเราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในใจของเราเพราะนั้นเวลาเราอยู่ที่ใดนะก็กราบ ให้เรียกว่ากราบพุทโธธรรมโมสังโฆนิพานังข้าไปเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้หวังอย่างอื่นหวังพระนิพพานให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดอีกนี่แหละคือหวังพระนิพพานเลยหวังสูงสูงไว้เลยนะจากนั้นเราก็ว่าอาลหังสวากาโตสุปฏิปัโน เ, เสร็จแล้วเราก็ไหว้พระเจริญกัน เวลาหลังก็นังนั่งพับเทียบก็ได้ดูนั่งกระจงก็ได้นโมตัสสะภะคะวะโตราโ ต, าตสัมมาสัมพุทธสัจสามครั้งจะนักับพุทธังทำมังสังขังสารานางังฆฉามิดุติยัมปีพุทธังทำมังสังขังสารานางังฆฉามิตาติยัมปีพุทธังทำมังสังขังยืนยันยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึง่งนโมไปวันนอบน้อมพระพุทธเจ้าต้นศาสนาต้นศาสนา ที่บัญญัติศีลที่เราจะสมาทานเนี่ยจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศีลนะแต่ปาณาทิปาตาเวรมเัมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมเัมณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมีสุมิฉาจาราเวรมเัมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาสุราเมรยมะยะมัชฌะจบถึงห้าข้อแล้วก็อิมานิ ปัญจะสิกขาปทานิสมาธิยามิเนี่ยย้ำไว้นะไออิมาเนี่ใครข้าตัวข้าไปเจ้าขอจะมาทานศีลห้าสมาธิยามินะีเออข้าไปเจ้ากล่าวทั้งสามครั้งไออิมาเนี่ยสาิกขาปัญจะสิกขาสมาัมปัญจะสิกขาสมาธิยามิเนะี่ยถ้าเป็นสามเณรหัวอิมาเนี่ทัาสาศสิกขาทัศ เจ้าขาประธานนิสมาธิยามิถ้าผู้รักษาศีแลแปดก็อิมานีิอัถะไปว่าแปดนะถาสาไปว่าสิบปัญจะไปว่าห้านะปัญจะสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าจากนั้นก็กล่าวจบเพียงเท่านั้นนะให้ข้าววันนั้นเป็นศีลหนะ้าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดวันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงวันเนึ่นกับคืนเนึ่ง เป็นศีลนะนะคณะนะักทาญา โ, โยมเพราะนั้นไม่จําเป็นมากหรอกที่จะไปหาพระแต่ว่ามาหาพระอย่างนี้พระก็ให้ให้ศีลพอให้ศีลเกบให้พระสงฆ์เป็นสักขีพยานาก็เป็นน้ําหนักอีกส่วนนึงแต่ถ้าว่าเราไม่ได้มาหาพระเราอยู่ตามลําพังก็เนี่ยแหะปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวที่หลวงพ่อพูดกล่าวมานี่หลวงพ่อมั่นใจว่ากล่าวไม่ผิดนะ เป็นตามหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะที่ได้เรียนได้ศึกษามาะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะวันนี้ให้อาจารย์เจริญเป็นผู้พานำสมาทานศีลอย่างที่ว่านะเพื่อเราพวกเราจะได้นำไปเป็นตัวอยา่างในเมื่อเราไม่ได้ไม่ได้ไปสู่วัดวาศาสนาที่เราจะรักษาศีนตามลาพังเราจะรักษาอย่างไงนะเอาอาจารย์เจริญผู้พานา ครับนโมสจบนะครับนโมอาตสาปะคะวะโต สารนังกาชามีทามังสรนังกาชามีสงสรังามโดีัิ ญาณิภุตังสารังฆาชามีสาธิยัมปธรรมัสารังฆาชามีสิยสัสรังามสรมนังเนติตังอามะันเต บานาติปตาเวรมีสิกขาปังสัมมาทิยมีอาทินา มัจจาปมาตทานาเวลมนีสิกขาปะังสมาธิญาณีอิมานีปัญจปทานิสมาธิยาณี อ ي م ا ن ีปัญจศิคขาปธานีสมาธิยามี إيمان ีปัญจศิคขาปธานีสมาธิยาม มานปัญจสิก้าปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะเนปุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสธาเยสาธุเอ่อที่หลวงพ่อว่าสลนะขมานางนิธิตังในที่ว่าราพวบ สังขังสรนังคฉามินะหลวงพ่อประวัติสระนะคามณังนิทธิตังพ ร, ระไตรสรณะคมสามจบเพียงแถวนี้น เ, เรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณ ะ, ะเป็นที่พึ่งจบเพียงเท่านี้จากนั้นพวกเราก็กล่าวเป็นองค์ศิลป์เมื่อกล่าวเป็นองค์ศิลปเสร็จแล้ววอยมาณิปัญจะศิขาปทานิศีเลนะสุขติยันติ หลวงพ่อพูดเป็น ป, น แ, ปแปลเป็นภาษาบาลีว่าที่พวกเรารักษาศีลห้าเนี่ยนะไม่ใช่ศีลเล็กน้อยสีเลนะสุกติงยันติผู้จะไปสู่สุกติได้เพราะศีลสีเลนโะโพกสัมปทาผู้จะมีโพคะสมบัติได้มั่นคงเพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติผู้จะไปสู่พระนิพาลได้เพราะศีล น, นี่แหละ อันนี้คือสินห้าของพระพุทธเจ้านะทายาติโยมที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังให้พวกเรายึดแนวแถวปฏิปทาอย่างนี้นะลูกหลานนะครับต่อไปอรรธนาปริตฐมงคลครับออขวัญนะัทธาญาติโยมนั่งประจำที่ที่นี่เพราะบางท่านอาจจะทานอาหารแล้วอาจจะรีบกลับ พอวันนี้เป็นวันทำงานเพราะนั้นให้พร้วก่อนแต่ตามไม่จริงไม่น่าจะรีบกลับหรลงพอ่อสองเดือนยังค่อยมาครั้งหนึ่งนี่ว่ะสองเดือนยังได้มาพบกับคณะสัทธทาญาติจโยมลูกหลานครั้งหนึ่งเพราะนั้นลูกหลานไม่น่าจะรีบวันนี้เสียสละสักวันหนึ่งนะทานอาหารสบายๆพอทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เข้ามารับน้ำพระพุทธมนต์ซะก่อนะยังค่อยกับบ้านเป็นชลิเป็นมงคลทั้งวันทั้งวันทั้งเดือนเลยเมื่อเดือนที่แล้วหลวงพ่อก็า ไ, ไดในมาคนณะทธายญาติโยมมันชนกันติดทุระหลวงพ่อลงมาถามเสียตั้ามาตั้าไม่ว่างาหลวงพ่อก็ไม่ว่างเมือเกินวันที่ วันที่จิตโพชนาว่างหลวงพ่อไม่ว่างคือความว่าไม่ตรงกันหลวงพ่ออเไยไม่ได้มาเมื่อเดือนที่แล้วขาดไปเดือนหนึ่งเดือนนี้เห็นว่าลงมาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็ ทางจิตโพชนาก็ว่างแต่เป็นวันจันทร์ที่หลวงพ่อเองก็เห็นว่าศรัทธาญาติโยมคงไม่มากมากวันนี้แต่ที่ไหนได้โ อ, อ, อ้ล้นหลามไม่แพ้ครั้งก่อนๆนะวันนี้เป็นวันที่30สพฤษภาคมพุทธศักราช2005ันแต่วันนี้ทางวัดป่าบ้านตาดทาบุญ เปิดโลกธาตุนะคณัศรัทธาญาติโ ย, ยมลูกหลานแต่บางท่านบางคนอาจจะไม่ได้ขึ้นไปแต่บางคนก็เคืนคงขึ้นไปได้หลายปีติดต่อกันแต่บางท่านก็อาจจะติดธุระแต่หลวงพ่อเองถ้าหางว่าไม่ได้มาไม่ได้ลงกรุงเทพหลวงพ่อก็คงจะเข้าไปวัดป่าบัฒนตาดวันนี้เพราะว่าทราบข่าวว่าพวกรุ่นน้องๆ ของหลวงพ่อก็ไปต่างประเทศหลายองค์ไปทำกิจธุระของท่านกิจนิมนต์ของท่านหลวงพ่อก็เลยเห็นว่าสวนแสงธรรมคงจะว่างแต่ทางอร่อนก็คงจะมีพระครูบาอาจารย์มากลดหลามอยู่ทุกปีที่ผ่านมาก็เห็นเห็นแต่ทางสวนแสงธรรมคงจะว่างหลวงพ่อก็เลยลงมาลงมาสวนแสงธรรมเพราะอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มีการทอดผ้าป่าสามกีจอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ปีนี้มันประสบกันกับวันที่สามสิบวันนี้นหละแบนตาดเป็นธรรมบุญเปิดโลกธาตุเดรท่านจะรีบขึ้นไปก็รีบเกินไปนะก็เลยให้ธรรมูุญจัดซะแต่พวกเราก็ได้อยู่ทางกรุงเทพแต่ถึงยังไงก็าตามวันนี้เป็นวัน สำคัญทางบ้านตาดพระองค์หลวงตามหาปัวของเราเป็นวันมรณะของโยงมมรรดาของท่านวันวัน น, น, นี้วันที่สามสิบพฤษภาท่านจึงถือวันนี้เป็นวันสำคัญของวัดป่าบ้านตาดวันหนึ่งท่านก็ได้ทำบุญทิศส่วนกุศลแต่สมัย เ, เมื่อโยมมรรดามรณะไปใหม่หลวงพ่อก็เข้าไปทุกปี พ่อหลวงตาทําบุญหลวงตาก็บอกว่านิมนต์พระเครือข่ายของท่านลูกศิษย์ลูกหาของท่านหลวงพ่อก็ได้เข้าไปาทําบุญถึงโยมารดาแต่พอต่อมาคนมากมากก็มาหลวงพ่อก็ไปค่อยไม่ค่อยเข้าไปเหมือนกันนะหลวงตายังอยู่เพราะว่ามันคนมันมากทีนี้ก็จากนั้นมาหลวงตาก็เปิดประกาศว่าทําบุญเปิดโลกธาตุ แต่ยกประเด็นหลักก็คือโยมบรรดาขององหลวงตาที่ท่านมรณะไปพอต่อมาท่านก็ทาบุญทุกปีท่านก็บกพวกเราท่านทั้งหลายที่มาทําบุญทุกคนก็มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศากน า, ายญาติญาติมิตรสหายที่เข้ามาทําบุญพวกเรามาทําบุญทุกคนมีญาติโกโหติกาทั้ง อดีตแต่ชาติด้วยทั้งปัจจุบันนัชาติด้วยอดีตแต่ชาติที่เคยเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายกันมาถ้าหากว่าได้ทำบาปกรรมอันไหนไว้ยังเป็นยังตกทุกข์ในยากอยู่พวกเราท่านทั้งหลายที่มาเกิดได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาทำบุญในพระพุทธศาสนาพวกเราก็ควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนของพวกเราแต่ละคน นี่ลงตาท่านคิดอย่างนั้นท่านบอกว่าให้ทําบุญเปิดโลกกระถาดก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านมาทําบุญแล้วโทิตส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ยา่าตายายวงศาคนาญาติญาติมิตรสหายของแต่ละคนในครั้งนี้ก็เหมือนกันในวันนี้ก็เหมือนกันนะคณะสัตยาญาติโยมแต่พวกเราท่านทั้งหลายเนีมาทําบุญในวันนี้นะก่อนที่พระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรให้พวกเรากรน้อมจิตระลึกถึงคิดถึง อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะว่าท่านเหล่านั้นก็เป็นกระแสใจกระแสะจิตกระแสใจเราส่งไปกระแสใจส่งถึงกระแสใจถ้าว่าผู้ที่จะมีส่วนได้รับส่วนบุญส่วนกุศลมีอยู่แต่ถ้าว่าผู้ที่ไม่ได้รับก็ผิเหมือนกันนะกนัตถ า, า ย, ยาจงบางคนก็ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉาน อาหารของสัตว์ทีร้าฉานการเป็นอยู่ของสัตว์ทีร้าฉานก็เป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเขาเกิดเป็นมนุษย์อาหารมนุษย์การเป็นอยู่ของมนุษย์ก็อีกแบบหนึ่งถ้าเขาไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ได้รับอีกแต่ทีพ่พวกเราอุทิศส่วนกุศลได้รับนะี่คือพวกเปรตวิสยัยเป็ดอสุรกายเปรตวิสัยเป็อสุรกายนี่ก็คือพวกที่เล่ร่อนพอตายไปแล้ ว, gibt, วน่ยบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มาก แต่บางคนในอดีตชาติของเราเขาทำกรรมไว้ทำบาปกรรมเอาไว้แต่ทีนี้ก็เล่ล่อนเวลาเราเป็นญาติของเขาหรือเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเป็นลูกหลานของเราเรามาเกิดมาในพระพุทธศาสนาเขาก็คอยโอ้คิดถึงเราบ้างบ่เนองลูกหลานท่านเป็นอดีตชาติท่านเป็นญาติที่ เยติโกโหติกาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานของเรานะ เ, เมื่อเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านดวงวิญญาณเหล่านั้นท่านก็ไลยรับบุญกุศลแต่ถ้าหากว่าท่านไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉันไปสู่สวรรค์ไม่ได้รับนะลูกหลานนะ เ, เพราะว่ามันมันเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งการเป็นอยู่อีกปีนอยู่หนึ่งแต่พวกพวกเล่ร่อน เป็นเป็ดอสุรกายเป็ดตวิสัยพวกนี้ได้รับถ้าเราอุทิศส่วนกุศลให้พวกนี้พอได้รับแล้วก็อนอนะไปตามบุญตามกุศลที่เขาจะไปเกิดที่ไหนเพราะเราส่งอุทิศส่วนกุศลให้เขานี่แหละถ้าหากว่าพวกเราส่งไปให้เขาไม่ได้รับล่ะถ้าไม่มีใครรับมันก็เหมือนกับเราส่งของทางไปชะนีใช่ไหมนายไปชะนีเป็นผู้ซื่อสัตย์ เวลาส่งไปแล้วไม่ถึงปลายทางไม่มีใครรับบุญกุศลก็กลับมาหาพวกเราท่านทั้งหลายไม่ไปไหนนายไปชนีก็คืออะไรก็คือพระสงฆ์ปฏิกาหก ค, คือผู้รับทานเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้มีศีลแต่เมื่อเราทำบุญอุทิศชวนกุศลผ่านผู้มีศีลไปทางว่าปลายทางไม่ได้รับบุญกุศลก็ กลับมาหาที่เก่ามาหาผู้ที่อุทิศส่สวนกุศลให้ไม่ไปไหนหเพราะนั้นให้พวกเราทำใจกว้างๆเวลาทำบุญทุกครั้งให้อุทิศส่สวนกุศลถึงเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยทำไมอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเพราะเจ้ากรรมนายเป็นอริเป็นศัตรูของเราอยู่แล้วนะทำไมอุทิ์ให้เขาทำใหม่แต่ตามไม่จริงเจ้ากรรมนายเวร น, นั้นก่อนที่จะเป็นกรรมเป็นเวรกัน พวกเราอาจจะไปทากับเขามาก่อนฮะสมมติว่าไปข่าเขามากินบ้างไปเบียดเบียนเขามาบ้างแต่นี้นเขาก็ผูกพยาบาทอาฆาตใช่ไหมละ่ะในเมื่อผูกพยาบาทอาฆาตเขาจองเวรเราอยู่เราก็โอ้เอา้าอยากได้จองเวรจองกรรมกันเนอะข่าวนั้นเราพังเผ่อไปเราหลงลืมไปทีเขาทีเราสําหรับเราก็เหมือนกัน ชาติทีแล้วอาจจะวกท่านทัละอาจจะฆ่าฆ่าไปเจ้ากินเนื้อกินหนังของข่าไปเจ้าก็มีเพราะนั้นบางทีเราก็ได้กินพวกท่านก็มีเพราะนั้นให้หยนหยวนกันอุทิศส่วนกุศลให้อย่าได้จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันถ้าวัดการมีการจองเวรผูกพยาบาทอาฆาตกันอยู่มันจะหามันจะไปที่ไหนไม่ได้เพราะมันอิรันพันตูอิรูพันตังกันอยู่ ไปสวรรค์ น, นี้ผ่านไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะมันผูกอาคาตผูกจองเวรกันอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ไม่ขอจองเวรกับใครๆทั้งหมดให้อโหสิกรรมซึ่งกันละกันที่มันผ่านไปแล้วคือผ่านไปแล้วที่มันทะเลาะ ก, กันก็คือทะเลาะไปแล้วให้มันจบไปเราจะไม่ผูกกรรมผูกเวรกับใครทั้งหมดเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเวรจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวร เวรจะระงับไม่ได้ถ้าว่าพวกเรายังจองเวรกันอยู่เพราะนั้นให้พวกเราคณะสัทยา ญ, ญาติโยมทุกลูกหลานะศึกษานะเรื่องกรรมเรื่องเวรมันมีจริงๆนะนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกตามแนวแถวของพุท ธ, ธเพราะนั้นให้พวกเราประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานะที่พูดทางนี้ทางนั้นนะหลวมพ่อไป ประเทศอินโดนีเซียเมื่อกี้เนี่ยคันั้ศรัทธาญาติโยมแต่หลวงพ่อไม่อยากจะพนะูดเรื่องผีผีสังสังนะแต่หลวงพ่อไปเห็นตึกหลังหนึ่งบ้ากใหญ่อยู่ในกลางกรุงจาการ์ตานะเอะตึกสี่เหลี่ยมสูงประมาณสักสามสิบชั้นนะหลวงพ่อไปเห็นมันถีบทรงโซมเหมือนกันนะแต่กระจกก็แตกเป็นบางบานนะเป็นฉีดเรื่องเหลลวงพ่อกระถามว่าตึกหลังนี้ทำไมไม่มีใครอยู่เลยทําไมมีกระจกแตก แล้วก็เป็นสีเหลืองๆมันลึกษักดิ์โสมๆอยู่ติดถนนใหญ่เขาบอกว่าคนอยู่ไม่ได้ครับหลวงพ่อน่ยคนอินโ ด, โดนะเขาพูดภาษาอินโดนะเราก็สนใจทำใํำไมอยู่ไม่ได้ปะเขาก็เลยส่งภาษาอังกฤษเราก็ถามเป็นให้ให้ล่ามถามเป็นภาษาอังกฤษถามเขาเขาบอกว่าบ้านหลังนี้มีผีว่างอนกันอ้าว อินโดนีเทียก็มีผีเหมือนกันเลือดนี่หวาๆหวลวงพ่อกระสนใจก็ถามอีกสิมันเป็นยังไงวะเขาสร้างตึกเรา่นี้หมดไปหลายร้อยล้านนะหลวงพ่อเนี่ยตึกห้าหกร้อล้านกว่าเลยตึกหลังนี้สาสิชั้นเนีะะ่ยที่แรกเขาสร้างขึ้นมาเขาจะทําเป็นคอนโดให้คนเช่าะพอทําขึ้นมาแล้วคนไปอยู่อยู่ไม่ได้บางทีเดินด น, นั่งนั่งอยู่ดีๆเนี่ยพรากลางคืน มันหิ้วหัวคนคือคนตัดคอคนหิ้วจับผมหิ้วเดินผ่านไปเหมือนเออเห็นคนที่อยู่กูอยู่ไม่ได้ไดเห็นผีใช่ไหมละ่ะบุกบุบมับมับเพลเพมันยังเอากระปั้นมาชกท้องคนอีกต่างหากเหมืนกันพอนี่จะคอนโดอะไรก็เดือ้างอยู่ไม่ได้ต่อมาเอาเจ้าของเขาทําเป็นออฟฟิศป่ะเนี่ยออให้เป็นสํานักงานเนออี่ยบริษัทขึ้นไปจองเป็นห้องห้อ ง, องไปขึ้นไปก็อยู่ไม่ได้อีก คนเห็นผีนเหมือนกันเพ่นอีกเหมือนกันต่อมาเป็นโรงแรมอีกโอ้เขาจัดเป็นทั้งสามสี่ห้าอย่างในหลวงพ่ออะไรคนอยู่ไม่ได้สักขดเหมือ น, นนั้นเพ่นเพ่นเพ่นหนีเหมือนกันกลัวผีเหมือนกันหลวงพ่อจะมานึกคำขำเดี๋ยวเอะไอ้พวกที่ว่าตายแล้วสูนย์จัดึน่าจะจัดพวกนี้เนีมามาอยู่หัให้ทดลองดูว่ามันจะเป็นยังไงวะอมาลองๆกับผีดูสิเป็นยังไง เขาบอกว่าเขาจึงพูดดีกว่าไอ้พวกกล้องถ่ายหนังนะนะเอามาถ่ายหนังมาตั้งกล้องไว้ ผ, ผียังเดินผ่านหน้ากล้องอีกต่างหากมนโอ้โหมันเป็นตัวเป็นขาทั้งขนาดนี้เลยหลวงพ่อว่านะแต่มันตึกหลังนั้นก็โสรมจริงๆไม่มีใครอยู่จริงๆหนะลวงพ่อยังพูดกับหลวงตาจันท์นะไอ้หลวงตาว่าตึกหลังนี้เนะี่ยถ้าว่าเป็นเป็นถ้าเป็นชาวพนะุทธเนี่ยเราคงจะมา ขอให้เขาเป็นวัดก็ดีเหมือนกันนะน ะ, นะตึกหลังบักใหญ่ขนาดเนี้ยอยู่เป็นชั้นๆเลยนะตั้งสามสิบชั้นนะวะพระอยู่กับชั้นไหนก็ชั้นไหนก็อยู่ทางบนเน่ยญาติโยมก็อยู่ชั้นล่างทำเป็นวัดก็ได้นี่นะตึกหลังนี้วะเอ็น่าน่าสนใจนะหลวงพ่อนะวนะเนี่ยท่าเจ้าคุณจันทร์วัดเสือน่ะเนี่แหละหลวงพ่อไปเห็นก็แปลกใจนั่นนะไปเห็นต่างประเทศไม่คาดไม่คิด ตามไม่จริงบ้านเมืองเจริญวิทยาศาสตร์เจริญถึงขนาดดีไม่น่าจะมีแนวความคิดแต่มันมีจะพ้อยังไงมันเห็นเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เออมันมันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในนั้นน อ, อยู่ที่น่นกลางกรุงจาการ์ตานะ่หลวงพ่อผ่านไปผ่านมาไปคราวนี้ไปอยู่ที่ อ, อินโดนีเซีย10วันนั้นลูกหลานาทั้งไปทั้งกลับเป็นส2บสองวัน วันนั้นหลวงพ่อได้เห็นก็นลยโอ้แปลกว่ะแต่ศรัทธาญาติโยมเขาเนี่ยมาใส่บาตรนะเขาจัดที่โรงแรมติดปิดจัตฐานที่อบรมนะเขาจัดโอ้คนใส่บาตรเป็นพันนะทูกหลานนะเขาจัดที่นั่งให้คนนั่งเนี่เป็นพันเลยคนล้นคนล้นที่นั่งคนใส่บาออตรเนี่ยไตรทุนโรงแรมน่ะ อาหารแล้วว่าของใช้ในที่เขาใส่บาทนะหลวงพ่อว่าใส่รถสิบล้อเหมือนกันนะเออมากขนาดนั้นนะอ่ะอพระเกือบยี่สิบองค์ก็ใส่ใส่ใส่กระทั่งรองเท้ารองเท้าใส่บาทก็มีหมือนกนะ <c oughs> พราะเขาไม่รู้ใช่ไหมอันไหนเป็นของใช้เขาก็ใส่เข้าไปหมือนกนะัทั้งหยกทั้งยาทั้งอะไรต่อเมื่อไรหลวงพ่อก็รับด่าไปหมดเราเหมืนกะันจะว่าอย่างนี้เปลี่ยนเราเป็นพระใช่ไหมล่ะ โอ้ยรองเท้าใส่บัตรไม่ได้ลูกหลานเราจะว่าวยังไงไปได้ใส่ให้มันจบๆไปแบบนั้นว่าใส่เสร็จแล้วเอาออกเอาออกเอาออกโจ้กองประเดินเถินทึกเลยแต่เนี่ยนี่แหละจากนั้นก็คงจะแจกให้พี่น้องลูกหลานจากนั้นก็มานั่งเนี่ยมานั่งเนี่ยหลวงพ่อกับเทศอบรมเป็นภาษาอินโดแต่หลวงพ่อพูดภาษาไทยเนี่ยละวะแล้วก็มีพระ อที่ท่านเคยอยู่บัาตรดากด้วยการกับหลวงพ่อท่านเป็นประธานประธานธรรมทูตอยู่ที่อินโดนีเซียท่านก็รุดไปอยู่นานถึงยี่สิบกว่าปีเนี่ยท่านก็เลยพูดภาษาอินโดนีเซียได้ท่านก็พูดแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียพวกเขาฟังโอ้เทศกันทั้งห ม, มเทศสามสิบนาทีเนี่ยท่านแปลอีกสามสิบนาทีเป็นชั่วโมงนะถ้าหลวงพ่อเทศเป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงเหมือนกัน ตายๆเหนื like ่อยเหนื uh uh uh uh ่อยเหนื่อยมากๆเลยไปไปพูดที่อินโดนีเซียเพราะมันพูดภาษาภาษาเขาไม่ได้นะฮะหลวงพ่อก็พูดภาษาไทยท่านก็แปลเป็นภาษาอินโดแต่เขาตั้งใจฟังนะคนเป็นร้อยเป็นพันเงียบเก็บนั่งอยู่อยู่ในความสงบทั้งหมดเลยเห็นนะโอ้น่าปลืทุใจเวลาใส่บาตรเนี่ยนะคนมากๆเป็นพันๆนะพอมองหน้าเห็นหลวงพ่อแลยเยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับ ญาติโก้โหติกาเ ก, าเก่าแก่ไปเจอกับลักษณะอย่างนั้นล่ะเออสดชื่นแกมใสให้กเขาแต่พูดภาษาไม่รู้เรื่องไปเลยเลูกพ่อก็ไปพูดไม่รู้ภาษาเขาหลวงพ่อมีจะให้พรสุโคสุโคสุโคหลวงพ่อเขาางงา น, นอะวะคล้ายว่าสุขโขคเป็นภาษาบาลีใช่ไหมละ่ะเป็นภาษาบาลีเขาก็พอจะรู้เรื่อง เ, ออเวลาเขาไหว้พระเนี่ยโอยพูดพร้อมกันเ อ, อเก่งกว่เมืองไทยพนัะพูกหลานทุกคนเละ เอาอินโดมาใช้อาราฮังสวากาโตสุปติมโนเอออิติปิโสมเนี่ยเาสวดได้ทั้งหมดเลยแต่เวลาเขาสวดสวดไออาหังสุกิโตมินิตุโคมิอาเวโลมิเขาจะพูดยาวเหยียดเยเด้พอจบเสร็จแล้วเขาก็พูดมุมมุมมมมมุมมมมมแปลเป็นภาษาภาษาอินโดงนหละเออหลวงพ่อกับพี่ตั่งฟาวเขาเาแปลเป็นภาษาอินโดใช่ไหมเออ โอ้ก็แค่แปลเป็นภาษาของเขาให้ฟังว่าการที่พูดอาหารสุขิโตมีขอข้าไปเจ้าจงเป็นสุกนิดตุโขมีขอข้าไปเจ้าจงเป็นสุขเป็นนิดลักษณะอย่างนั้นแหละเขาก็พูดเป็นภาษาอินโด น, นะนี่แหละจะรวบแล้วก็คือเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ว่าเป็นอิสลามใหญ่ที่สุดของโลกเพราะประชากรเขาเกือบสามร้อยล้านเลยสองร้อยกว่าล้านนะ แต่นีพุท์ของเราเนี่ยก็เขาว่าไม่ถึงหเซไม่ถึงไม่ถึงห้าล้านนะแต่ถึงไม่ถึงห้าล้านก็หลวงพ่อไปเห็นแล้วโอ้โหไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแต่ดูดูแล้วก็ชาวพทุทธของเราเป็นคนที่มีฐานะทีเดียวเป็นคนเหมือนกับเมืองไทยของเราเป็นคนชาวจีนชาวจีนพ้นทะเลนนะมาอยู่ที่อินโด ลูกหลานของของของพี่น้องชาวจีนนนะ่ะที่นับถือแต่ดูๆแล้วศาสนาของอินโดจีเซียนมีหลายท่านเลยเวลากราบเนี่ยกราบคนอาทิตยศกนทางบางทีกราบแบมือก็มีกราบคว่ํา ม, มือก็มีกราบเพศกลางจางกางจางเอามือลูบหน้าก็มีวเวลาเวลาจะไหว้เวลาจะกราบยกมือว่าปนมือที่นี่มัดที่นี่ยกจุกดูดูด ออแปลกแ ป, กแ ป, กแปกลกแล้ปลกหลายแนวอแนวการสอนของเขาคือพาทางมีที่เบทั้ทงเนปาลทั้งศรีลังกาทาาากัออ้งพม่าทั้งไทยออทัออ้งจีนตีเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นเวียดนามทั้งหมดนั้นนะไปสอนไปรวมอยู่ที่ไปอยู่ที่อินโดนีเซียนะ น, นะ เ, ออเพราะนั้น วัฒนธรรมของเขาแต่แล้ครูบาอาจารย์ก็กสอนไปคนละทิศคนละทางแค่แต่ในการกราบการไหว้ก็แต ก, แ, กแตกแตกต่างกันแต่เราก็เห็นโอ้เนี่ยลากหลายหลากหลายจริงๆนี่วะ่ะแต่หลวงพ่อไปสอนก็ไปสอนแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหรืออะไปแทรกเข้าไปอีกว่างั้นลูกหลานนะยึดแนวแถวของหลวงปู่มั่นนะหลวงพ่อมั่นใจแต่เรื่องเดินรักษาศีลอย่างนี้นะให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะศีลห้า พวกเราก็มีแล้วล่ะเรื่องสมาธิต้องทำอย่างนี้นะแต่ดูๆแล้วก็จะขาดทางปัญญานะปัญญาวิปัสนานี่สายของเขานี่โดยมากจะเป็นสมสถะทั้งหมดนะลูกหลานแนวการสอนมีแต่สายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยสอนเรื่องวิปัสนาการพิจารณาคลี่คลายดูหาเหตุและผลใช้ปัญญาพิจารณาโดยมากดีแต่เนี่ยดังพม่าก็เหมือนกัน อันนี้รวยมากพี่จะสอนสมสถมักทาจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งเท่านั้นแต่เรื่องขี้คลายทางด้านวิปัสสนาเนี่ยมีแต่สายของหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยนะทําไมจึงหลวงพ่อจึงมั่นใจอย่างนั้นมีโยมฝรั่งคนหนึ่งนะเขาเคยบวชที่วัดป่าบ้านตาดคยบวชวัดปรวร์เนี่ยนะไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดจากนั้นก็ไปอยู่กับหลวงปู่สิงห์ทองหลายปีจากนั้นเขก็เลยศึก พอศึกไปแล้วเขาก็ไปน่ะไปที่ไปที่เบสสีลังกาพมา่าโดยมากเขาจะไปอยู่ทางพมา่านี่มากเพราะมันพม่ามีหลายสายพอเสร็จแล้วเขาก็มาตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ที่เกาะอะไรเขาเป็นเป็นอะไรเข้าคอสฝรั่งสอนธรรมะเป็นเข้าคอสเขาก็ไปศึกษาจากหลวงพ่ออีกหลวงพ่อก็ได้ถามว่าเอ้คุณคุณไปต่างประเทศลหลายๆประเทศนี่ คุณมั่นใจในลทัทธิไหนในพุทธศาสนาเนี่ยในความรู้สึกของคุณพวกคุณได้ไปหลายๆไปหลายๆวัดไปหลายๆครูบาอาจารย์ทั้งพ่อมาคุณก็ว่าผมไปเกือบทั่วหมดทั้งศีรกาทั้งที่เบตผมมั่นผมลงใจผมมั่นใจในสายของหลวงปู่มั่นเพราะหลวงปู่มั่นท่านสอนเรื่องสมถะและวิปัสสนาได้ชัดเจนกว่า ที่ผมได้ศึกษามาเพราะนั้นผมจึงได้นำสายแนวทางของหลวงปู่มันนะ่นเนี่ยมาสอนพวกชาวฝรั่งต่างชาตินหลวงพ่อก็เลยเออพอมาพิจารณาดูแล้วก็ดูดูเหตุการณ์นะครับเป็นจริงอย่างที่ยงฝรั่งคนนั้นเขาพูดให้หลวงพ่อฟังนะเอาหลวงพ่อพูดมากเดี๋ยวจะสายอนะไรนรับพรมานนี่นะ